สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงแจ ก, กสิยอพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สองร้อยสี่สิบสามคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่สิบแปดครับคําอิงวอนที่สองก็คือขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่คำอธิษฐานของผมในเช้าวันนี้ที่มีต่อพี่น้องทุกท่านและต่อทิศจักรทุกแห่งก็คือขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่จริงๆครับ ขอพระเจ้าส่งเมตตาครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูที่ว่าคําว่าเมื่อเราคําว่าเมื่อเมื่อเราอธิษฐานคําว่าขอให้แผ่นดินของพวกมาตั้งอยู่นั้นมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นที่นะครับเรามาดูว่าคําว่าอาณาจักรห ร, หรือแผ่นดินภาษากรีกแค่ใช่้ว่าบา a s เลอาซึ่งหมายถึงการปกครองการครอบครองพอเวลาเราพูดถึงอาณาจักรเราเราพูดถึงแผ่นดินเราก็นึกถึงคําว่าการปกครองหรือการครอบครองนั่นเองที่นงครับ การปกครองนั้นมีความหมายมากกว่าคําว่าราชนาจักรใช่ไหมครับเพราะว่าคําว่าราชนาจักรคิดถึงแต่นดินแดงครับแต่ผู้คนแต่การปกครองนั้นคิดถึงคนที่ปกครองคิดถึงผู้ที่มีอำนาจปกครองคิดถึงพระราชอํานาจฤรธอนุภาพเวลาที่เราคิดถึงแผ่นดินของพระเจ้าเราคงคิดเปรียบเทียบกับแผ่นดินที่อยู่ในโลกนี้แผ่นดินที่โลกนี้ที่มีความสงบสุขนะครับก็ คิดถึงผู้คนที่กําลังขี่ม้าในสมัยก่อนนะครับงานเฉลิมฉลองเอกเรอช ม, มีอาสวินมีปราสาทมีเมืองมีกําแพงมีกฎหมายมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีความเจริญ ม, มั่งข้างรุ่งเรืองเป็นการเฉลิมฉลองที่นะครับในบริบทของชาวเอเชียของเราเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นภาพของการเฉลิมฉลองในวังมากนักแต่ว่าเราก็คงจะรู้ เรื่องของการเฉลิมฉลองเมื่อกษัตริย์ได้ตรดาพิเศษขึ้นมาเป็นกษัตริย์หรือกษัตริย์นั้นก็ได้มีราชาพิเศษขึ้นมาเป็นกษัตริย์หรือกษัตริย์นั้นเดินกลับเข้ามาสู่แผ่นดินของตัวเองสู่บ้านของตัวเองผ่านกำแพงเมืองก็จะมีการต้อนรับอย่างมาโหฬารเราเห็นได้ใ น, นหนังนะครับนี่ก็ตามครับกลับมาดูในพระกรมัมภีร์คําว่าแผ่นดินของพระเจ้าเราดูครับว่าตอนที่ปีลาดมันใช้คําว่าบาซิเลีย หรือคำว่าแผ่นดินของพระเจ้ามีรากฐามพระเยซูท่านคงจำได้ใช่ไหมครับว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์หรือซึ่งมีความหมายตามภาษากรีกว่าท่านเป็นกษัตริย์แบบไหนกันแน่ท่านเป็นกษัตริย์แบบไหนนะครับพระเยซู ต, ตอบว่าเราเป็นกษัตริย์แบบอะไรครับพี่น้องลองฟังดูนะครับราชันราชอำาช น, ำนาจของเราได้เป็นของโลกนี้แสดงพระเยซูมังจัดว่าพระองค์เป็นกษัตริย์แบบ ไม่ใช่ของโลกนี้นะครับพระองค์ไม่ได้บอกว่าพระองค์ไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับแต่พระองค์บอกว่าการเป็นกษัตริย์ของพระองค์นั้นไม่ใช่อยู่ในโลกนี้ที่น้องครับนี่คือสิ่งที่ปิลาสได้รับคาอธิบายจากพระเยซูคําตอบจากพระองค์ต่อมาครับเราจะดูะครับว่าคําว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์นั้นมาตั้งอยู่มีความสําคัญอยู่สามประการด้วยกันที่น้ครับในวันนี้เราจะได้สองประการนะครับ แต่ในวันพรุ่งนี้เราจะมาต่อประการสุดท้ายประการที่สามเมื่อเราอาธิษฐานขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่มีคำถามสามประยะัดสามประการครับสามประเด็นหนึ่งแผ่นดินนี้เป็นของใครทีน้ำครับแผ่นดินนี้เป็นของใครคําตอบก็คือแผ่นดินนี้เป็นของพระเจ้าในมัตสิว่าที่หกข้อที่เ้ามันบอกว่าแผ่นดินนั้นคือราชจักรของพระเจ้าครับซึ่งไม่ใช่ราชสจักของมนุษย์ เพราะฉะนั้นพระเยซูก็ไม่ได้เป็นของโลกนี้เราทั้งหลายซึ่งเป็นประชากรแห่งแผ่นดินก็ไม่ได้เป็นของโลกนี้เราได้ถูกย้ายออกจากโลกนี้ฝ่ายวิญญาณแล้วครับเราไม่ได้เป็นพลเมืองของโลกนี้เราเป็นแค่ผู้เดินทางผู้เดินทางกลับบ้านนะครับเปลิลกิมส์นะครับผู้เดินทางกลับบ้านแล้วกำลังเสาะหาเมืองที่ผู้ก่อตั้งผู้สร้างคือพระเจ้า แล้กําลังเสาะาพระเจ้าที่จะเข้าเยี่ยมเมืองของพระเจ้านั่นเองดังนั้นครับพี่น้องแปล ก, กนใจนะครับที่บางคนคิดว่าพวกเขาเนี่ยสามารถดํารงรักษาเครื่อจักรด้วยวิถีทางการเมืองพี่น้องคิดว่าทําได้ไหมครับเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้นะครับเพราะไม่มีสถาบันของมนุษย์สถาบันใดจะสามารถประสานสนิทกับราชจักราา ก, กันได้นั้นเป็นเหตุที่เครื่เตียนนะครับไม่สามารถหรือเป็นไปไม่ได้ ที่จะพยายามทําให้สเตทนะครับหรือร า, ากแกนจักรกับเชื้อชน์มิกซ์กันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าโลกนี้ก็เป็นไปด้วยความบาปโลกนี้เป็นเต็มไปด้วยอํานาจโลกนี้เต็มไปด้วยผลประโยชน์เพียงครับหลายๆครั้งทีเดียวเมื่อหวนกลับมาดูในพืชจักรพืชจักรในวงใหญ่นะครับเราเห็นว่าการเมืองเข้ามาแทรกในทุ่วทุหัวละแหง น, นะครับการเมืองเข้ามาแทรกในทุกหัวละแหง นี่เป็นเรื่องของความชั่วร้ายนี่เป็นเรื่องของความบาปครับพี่น้องครับเราต้องยืนหยัดเพื่อที่จะรักษาขึ้นจักรของพระองค์ให้บริสุทธิ์อย่าให้มีใครก็ตามที่เข้ามาแล้วเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อพวกพ้องของตัวเองเพื่ออำนาจของตัวเองนี่คือความผิดพลาดของคนที่อ้างตัวเป็นคริสเตียนรักพระเจ้าเข้ามาเพื่องานของพระเจ้าเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ขึ้นจักร น้าแล้วน่าเล่าครับเราจะดูต่อไปนะครับในเรื่องของความสำคัญเมื่อเราถามว่าแผ่นดินนี้เป็นของใครแผ่นดินนี้เป็นของพระเจ้าครับอาณาจักรของพระองค์หรือแผ่นดินของพระองค์พระองค์สร้างขึ้นมาเพื่อพระองค์เองแต่อาณาจักรที่มนุษย์สร้างขึ้นมามันก็จะเสื่อมสูญไปได้อาณาจักรที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานั้นไม่เสื่อมสูญครับเรามาดูนะครับอียิปต์เกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไป ซีเรียอัสซีเรียนะครับบาบิโลนเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปมีเดียเปอร์เซียเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปเห็นไหมครับเอลิสันเดอร์กรีกผู้ยิ่งใหญ่นะครับมีชัยชนะตั้งแต่ยุโรปจดอินเดียก็เสื่อมไปเหมือนกันพี่น้องครับปวัตศารได้บอกเราว่ามีอารยาประเทศอย่างน้อยยี่สิบเอ็ดนะครับอารยธรรมที่เสื่อมสลายไป แต่อนธาราจของพระเจ้ายิ่งใหญ่ยิ่งกว่าอันธาักรของประเทศใดๆในโลกนี้องค์พระผู้เป็น เ, เจ้าได้สั่งให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระองค์และความครอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงประทานทสิ่งทั้งปวงที่แผ่นดินโลกนี้จัดเตรียมให้น้องครับคําว่าให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแสดงว่าแผ่นดินของพระเจ้านี้ยิ่งใหญ่กว่าแผ่นดินของโลกนี้เมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน พระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้เป็นเจ้าของจักรวาลนี้จะประทานสิ่งทั้งปวงที่แผ่นดินโลกนี้ให้กับเราคํำอธิษฐานของเราเมื่อเราอธิษฐานว่าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่จึงเป็นคําอธิษฐานที่ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพรงทูลขอให้พระองค์ทรงประทุมใ้สิ่งที่ทําและนําความเจริญก้าวหน้ามาสู่ร้านจักรของพระองค์ พูดง่ายก็คือว่าเราขอให้พระองค์ทําให้แผ่นดินของพระองค์ก้าวหน้าขึ้นขอให้เรามีส่วนร่วมในการทําให้แผ่นดินของพระองค์ก้าวหน้าขึ้นและจะนํามาซึ่งการปกครองและการครอบครองที่ครบบริบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นของพระองค์ต่อไปพี่น้องทับนี่คือสาสําคัญประการแรกเมื่อเราบอกว่าแผ่นดินของใทยเรากําลัง ตอบว่าแผ่นดินของพระองค์แต่เมื่อรอาอธิษฐานคําว่าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เราคนมันบอกว่าขอให้พระเจ้านํามาซึ่งความเจริญเจ้าหน้าสู่แผ่นดินของพระองค์ผ่านชีวิตของข้าพระองค์เราจะดูต่อไปนะครับจากการที่สองแผ่นดินนั้นคืออะไรแผ่นดินก็คือการปกครองและการครอบครองของพระเยซูเองเปรียบใช้คําว่าแผ่นดินสวรรค์ แผ่นดินของพระเจ้ามากมายทีเดียวครับในพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่สิบเก้าข้อยี่สิบสามยิบสี่ทพี่น้องมีโอกาสมีเวลาเปิดดูนะครับมัทธิวบทที่สิบเก้าข้อที่ยี่สิบสามยี่ิบสี่ใช้คําสองคํานี้ในความหมายเดียวกันเลยครับก็คือแผ่นดินสวรรค์เท่ากับแผ่นดินของพระเจ้าในลูกาบทที่สี่ข้อที่สี่สิบสามก็ยังพูดเหมือนกันนะครับว่าเราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า เพราะว่าที่เราได้รับใช้มาข้อพาะเหตุนี้เองพี่น้องครับเมื่อไอ้ฐานว่าข้อยแผ่นดินของโปรมาตั้งอยู่แผ่นดินของพระเจ้านั้นมีอะไรที่สําคัญที่สุดก็คือข่าวประเสริฐหรือการขยายตัวงแผ่นดินของพระเจ้านะครับแผ่นดินของพระเจ้าเป็นหัวใจสําคัญของข่าวประเสริฐเป็นหัวใจของแผนการเป็นหัวใจของปอดอัลทิสตร์เป็นสุดยอดของมนุษยชาติ ไม่มีอะไรมากกว่านี้ไปแล้วเผ่าผสนั้นเป็นหัวใจของแผนการเป็นหัวใจของประวัติศาสตร์เป็นหัวใจของมวลมนุษยชาติไม่มีอะไรที่สําคัญมากกว่านี้ไปแกล่ล้วพระเยซูอยู่ในโลกนี้กับพวกสาวกนั้นพระองค์ก็ทรงใช้เวลาทั้งหมดในการสอนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นที่เหนืความตายพรง ก, ก็ยังมีเวลาอีกสี่สิบวันและกิจการได้บอกว่า รงทรงปรากฏแกเ่เราสาวกและทรงกำชับเขาด้วยเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องครับแผ่นดินของพระเจ้าเวลาอธิษฐานนะครับไม่จะเนเรื่องที่ปกติธรรมดาธรรมดานะครับแต่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าขยายออกเมื่อสักครู่นี้ในประเด็นแรกนะครับประการแรกเราบอกว่าถ้าพงทุลขอให้พระองค์ทรงกระทําและนํามาซึ่งความพัจจนาความเจริญเจ้าหน้า การต่อไปนี้หมายความว่าเลยครับหมายความว่าขอให้เรานั้นเป็นเครื่องมื อ, มอเครื่องใช้ของพระองค์เป็นพระชนะของพระองค์เป็นฐานท่อแห่งพระพรของพระองค์ที่จะนํานข่าวประเสริฐไปเพื่อให้แผ่นดินของพระองค์ขยายไปครับน้องครับเรากําลังมามองดูในภาคของปฏิบัตินะครับว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นมาตั้งอยู่ก็คือเราทั้งหลายต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐครับอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่หมายความว่าเราต้องออกไป ประกาศเขาเผชิดครับพี่น้องครับเมื่อพระเยซูตรัสถึงแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูตรัสในสามแง่ก็คืออดีตปัจจุบันและอนาคตพี่น้องมาดูนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่ 11, สิบเจ็ดพระเยซูตรัสถึงแผ่นดินสวรรค์นในแง่ของอดีตครับเกี่ยวโยงกับพวกอับราฮัมนะครับบรรพชนบรรพบุพ ร, รุษของคนยิวไอ้อะนะครับลูกของอับราฮัมยาโค้กนะครับในมัทธิวบทที่แปนะครับพูดชัดเจนครับว่า แผ่นดินสวรรค์ในแง่ของอดีตแต่ในลูกาบทที่สิบเจ็ดครับพี่น้องพระเจ้าพระเยซูตัดถึงแผ่นดินสวรรค์ในแง่ปัจจุบันครับก็แผ่นดินสวรรค์หรือแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ข้ามกลางท่านทั้งหลายนะครับอยู่ข้ามกลางท่านทั้งหลายในเวลานี้เห็นไหมครับนะเวิร์ของมันหรือกริยาของ ม, มันนะครับก็คือคําว่าอยู่ณปัจจุบันนี้และต่อไปพระเยซูตัดถึงแผ่นดินสวรรค์ในแง่ของอนาคตครับเมื่อพระองค์อธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์ มาตั้งอยู่นะครับแสดงว่ามันมีโปรเกรสซีฟมันมี p r o g r e s s i o ครับก็คือมาตั้งแล้วนะครับตั้งแล้วและตั้งต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นแผ่นดินของพระเจ้าในแง่อดีตปัจจุบันอนาคตเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนั้นคืออะไรพระเยซูตรัสในยอห์นบทที่สิบไข้อสามสหกนะครับว่าราชนาจักรของเรามิใช่เป็นของโลกนี้ดังนั้นไม่ว่าแผ่นดินนั้นจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเราคุ้นเคยกันครับไม่ได้เป็นแผ่นดิน ของพระเจ้าที่มีการเมืองมาเกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องที่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงพวกท้องมาเกี่ยวข้องแผ่นดินของพระเจ้านั้นปกครองด้วยรูปแบบของพระองค์เป็นแบบสากลจักรวาลและสูงที่สุดดีที่สุดประเสริฐที่สุดพระเจ้าทรงเป็นกรรษัตริย์แห่งสากลจักรวาลและการปกครองของพระองค์ผ่านมาทางพระเยซูคริสต์กับอันนี้คือสภาพของแผ่นดินของพระเจ้า ในประการที่สองพระองค์เป็นผู้สร้างโลกนี้เป็นผู้ที่ได้รับการกล่าวขานไว้ในพระธรรมโคโรสีบทที่หนึ่งข้อสิบเจ็ดบอกว่าพระองค์ดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวงพระองค์นี้หมายถึงพระเยซูครับและสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์นี่คือราชักของพระเจ้าแห่งสากลจักรวาลพี่น้องครับสากลจักรวาลโลกนี้เป็นเพียงแกแค่แผงทุรีในจักรวาลนี้เทนเองในทางช้างเผือกนะครับในระบบสุริยะ โลกก็ไม่ได้เป็นใหญ่พี่น้องครับแต่พระเจ้านั้นเป็นผู้สร้างสปปรรพสิ่งทั้งปวงและดํารงอยู่ก่อนสปปรรพสิ่งทั้งปวงและทรงให้สปปรรพสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์เองครับพี่น้องในการที่เราอธิษฐานแา่แบบอย่างพระเยซูขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นะครับขอให้พระเจ้าได้ทรงช่วยให้เรามีส่วนในแผ่นดินของพระองค์ด้วยเถิดนะครับเราเป็น แค่ผงธุลีของผงธุลีของผงธุลีในจักรวาล น, นี้นะครับหลายหละคนตั้งตัวเป็นปฏิปักิ์กับเจ้าน่าเสียดายเสียใจนะครับคิดว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่แล้วจะทำอะไรไม่ได้เกรงใจองค์พระบุญเจ้าไม่ได้ถามพระเยซูว่าควรจะทำอย่างไรประการใดดีขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะกลับใจใหม่เมื่อเราอาธิษฐาน คำว่าขอให้แผ่นดินของพวงมาตั้งอยู่และเราอยากจะให้สร้างอยู่ใช่ไหมครับเราต้องออกไปออกไปประกาศเก่าประเสริฐอาเมน